ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกามโยคะคือกามความใคร่ประกอบด้วยภวโยคะคือความพอใจในความมีความเป็นย่อมเป็นอาคามีคือผู้มาเกิดมาสู่ความเป็นอย่างนี้ผู้ไม่ประกอบด้วยกามโยคะคือกามความใคร่แต่ยังประกอบด้วยภวโยคะ คือความพอใจในความมีความเป็นย่อมเป็นอนาัคามีคือผู้ไม่มาเกิดไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ผู้ไม่ประกอบด้วยกรรมโยคะไม่ประกอบด้วยทวโยคะย่อมเป็นพระอาหารหันต์คือผู้ไม่มีกิเลสผู้สิ้นอาสวัต